ใครบ้ากันแน่ในอดีตการณกรุงพารานสีขหะบดีคนหนึ่งเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญถึงบิดาที่ตายไปไม่อาบน้ำไม่ทำการงานบุตรของเขาชื่อว่าสุชาตะยังเป็นเด็กแต่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลม จึงคิดหาอุบายกำจัดความโศกของบิดาวันหนึ่งสุชาตะเห็นโคตายอยู่นอกเมืองเขาจึงเอาหญ้าและน้ำมาวางไว้ที่หน้าซากโคนั้นแล้วกล่าวว่าจงกินจงดื่มคนผ่านไปมาเห็นเข้าก็หาว่าเขาเป็นบ้าครั้นข้าบดีทราบข่าวเข้า ก็สลดใจรีบไปดูแล้วกล่าวท้วงบุตรของตนว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงบังคับให้โคที่ตายแล้วกินหญ้าโคที่ตายแล้วย่อมไม่กินหญ้าและน้ํำมิใช่หรือเจ้าเนี่ยเป็นทั้งคนพานและคนโง่เมื่อสุชาติได้ยินดังนั้นก็จึงกล่าวกับบิดาของตนว่าโคตัวนี้ ยังมีเท้าทั้ ง, งสี่ข้างมีศีรษะในตามีตัวพร้อมทั้งหางมันอาจจะลุกขึ้นกินหญ้าสักวันหนึ่งส่วนมือเท้ากายและศีรษะของคุณปู่ไม่ปรากฏเลยแต่คุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของคุณปู่ที่บรรจุไว้ในสถูปดินจะไม่เป็นคนโง่ยิ่งไปกว่าหรือ ขหวดีจึงได้คิดว่าบุตรของเราทำอุบายนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดาผู้รู้แจ้งในข้อนี้จะร้องไห้คร่ำครวญไปทำไมตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่เศร้าโศกจากนั้นก็อาบน้ำบริโภคอาหารประกอบการงานตามปกติ